สิบสองยาณวิพังหนึ่งสุตันตภาชนีมาติกาห้าร้อยแปดิกจุในธรรมในนี้เป็นผู้สำรวมด้วยปาติโมกขสังวออยู่ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคตจรเห็นภายในโทษที่มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายคุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภค มันประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ตลอดปฐมยามและปัจฉิมยามมันประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปักขียธรรมอย่างต่อเนื่องมีปัญญาเป็นอุบายในกิจทั้งปวงภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับหนึ่งทำความรู้สึกตัวในการแลดูการเหลียวดูหนึ่งทำความรู้สึกตัวในการคูเข้าการเหยียดออกหนึ่ง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 ป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าดงที่แจง้งกองฟางที่สงัดมีเสียงน้อยมีเสียง อ, อุกทึกน้อยไม่มีคนสัญจรไปมาไม่มีคนพลุกพล่านเหมาะเป็นที่หลีกเร้นภิกษุนั้นอยู่ป่าอยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างนั่งคู้บลังตั้งกายตรงดำรงสติมั่นมุ่งเฉพาะกรรมาฐานภิกษุนั้น และอภิชาในโลกได้มีจิตปราศจากอภิชาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาและความพยาบามความคิดประทุษร้ายได้แล้วมีจิตไม่พยาบามอยู่เป็นผู้อนุเคราะห์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งมวลชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความพยาบามและความคิดประทุษร้ายละถีนมิทะได้แล้วเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะอยู่เป็นผู้เด โลกสัญญามีสติสัมปชัญญะชัมระจิตเทเบริสุทธิ์จากตีนมิทธะและอุทธัจักุกุจจะได้แล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่มีจิตสงบภายในตนชัมระจิตเทเบริสุทธิ์จากกุทธัจักขุกุจจะและวิจิกิจฉาได้แล้วเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมอยู่ชัมระจิตเทเบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา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 มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปพิกสุทธ์มีอุเบกขามีสติสัมภัญญะเสวยสุขด้วยนามากายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขพระโสมนัสและโทมนัส ด, ดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุตฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ได้ มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เพราะก้าล่วงรูปปสัญญาได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิคัตสัญญาเพราะไม่มนสิกการนานัตตสัญญาจึงได้บรรลุอากาสานัญจายตนะโดยบริกรรมว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้อยู่เพราะก้าล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงได้บรรลุวิญญาณัญญายตนะโดยบริกรรมว่าวิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้อยู่เพราะกล้าร่วงวิญญาณัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงได้บรรลุอากินจัญญายตนะโดยบริกรรมว่าอะไรอะไรสักน้อยหนึ่งก็ไม่มีดังนี้เพราะกล้าร่วงอากินจัญญาัตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงได้บรรลุเนวสัญญาณาสัญญายตนะอยู่ มาติกาจบมาติกานิเทศ509คําว่าในธรรมวินัยนี้อธิบายว่าในความเห็นนี้ในความพอใจนี้ในความชอบใจนี้ในลัทธินี้ในธรรมนี้ในวินัยนี้ในธรรมวินัยนี้ในปาพจน์นี้ในพรหมจรรย์นี้และในคําสอนของพระศาสดานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ในธรรมวินัยนี้510คําว่าภิกษุอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะสมัญญาชื่อว่าภิกษุเพราะการปฏิญาตนชื่อว่าภิกษุเพราะขอชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้เข้าถึงภิก ข, ขาจานชื่อว่าภิกษุเพราะทรงผ้าที่ถูกทําลายชื่อว่าภิกษุเพราะทําลายบาปอากุศลธรรมได้แล้ว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 ชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้อุปสมบทด้วยยติจตุตธกรรมที่ไม่กำเริบสมควรแก่เหตุด้วยสงผู้พร้อมเพียงกัน511ร้อคำว่าปาติโมกอธิบายว่าศีลเป็นที่พึ่งเป็นเบื้องตน้นเป็นความประพฤติเป็นความสำรวมเป็นความระวังเป็นหัวหน้าเป็นประธานเพื่อความถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นกุศลคำว่าสังวร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 คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่ดำเนินอยู่รักษาอยู่เป็นไปอยู่ให้เป็นไปอยู่เที่ยวไปอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่513าคำว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคตจออธิบายว่าอาจาระก็มีอนาจาระก็มีในสองอย่างนั้นอนาจาระเป็นไน ความร่วมละเมิดทางกายทางวาจาทั้งทางกายและวาจานี้เรียกว่าอนาจาระความเป็นผู้ทุศีนแม้ทั้งหมดก็เรียกว่าอนาจาระภิกษุบงรูปในธรรมไมน้นี้เลี้ยงชีวิตด้วยการให้ไม้ไผ่ให้ใบไม้ให้ดอกไม้ให้ผลไม้ให้เครื่องสนานให้ไม้ชัมระฝันการพูดยกย่อง เพราะต้องการประจบให้เขารักการพูดทีเล่นทีจริงเหมือนแกงถั่วการรับเลี้ยงเด็กการรับใช้ต่งข่าวสารหรือด้วยมิจฉาชีวะอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรังเกียจนี้เรียกว่าอนาจาระอาจาระเป็นไนความไม่โล่งละเมิดทางกายทางวาจาทั้งทางกายและวาจานี้เรียกว่าอาจาระ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 หรือด้วยมิจฉาชีวะอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรังเกียจนี้เรียกว่าอาจารย์ละห้าคำว่าโคจรอธิบายว่าโคจรก็มีอโคจรก็มีในสองอย่างนั้นอโคจรเป็นไนพะิกุบังรูปในธรรมวิ น, นัยนี้เป็นผู้มีหญิงแพทย์สยาเป็นโคจรมีหญิงไม้เป็นโคจรมีสาวเทือเป็นโคจร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 ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่เกืดอกูลปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่พาสุขไม่ปรารถนาความหลุดพ้นจากโยคะแก่พวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาเช่นนั้นนี้เรียกว่าอคโคจรโคจรเป็นฉะไหนภิกษุบางรูปในธรรมในนี้ไม่เป็นผู้หญิงแพทสยาเป็นโคจรไม่เป็นผู้หญิงไม้เป็นโคจร ไม่เป็นผู้มีสาวเทื้อเป็นโคจรไม่เป็นผู้มีบรรเดะเป็นโคจรไม่เป็นผู้มีภิกษุณีเป็นโคจรไม่เป็นผู้มีร้านสุราเป็นโคจรไม่อยู่คุกคลีกับพระราชามาหาอมาตของพระราชาเดียรตีสาวกเดียรตีด้วยการคุกคลีกับครือัดที่ไม่สมควรหรือเสพครบ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 ประกอบแล้วด้วยอาจาระนี้และด้วยโคจรนี้ด้วยประการชนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร5้าในคําว่าเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยอธิบายว่าในคําว่าเห็นภายในโทษ ม, ม, มีประมาณน้อยนั้นโทษมีประมาณน้อยเป็นฉไหนโทษอย่างต่ําอย่างเบาที่สมมุติกันว่าโทษเบา ที่จะพึงทำด้วยความสารวมระวังและด้วยจิตตุปปาบาท์ที่เนื่องด้วยมนัสิการเหล่านี้เรียกว่าโทษมีประมาณน้อยภิกษุเป็นผู้เห็นโทษภัยความชั่วร้ายและเห็นการสลัดออกในโทษที่มีประมาณน้อยเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยด้วยประการฉะนี้516ในคาว่าสมมาทานศึกษาในสิกขาทั้งหลาย นั้นสิกขาเป็นฉไนสิกขา4คือ 1. สิกขาของภิกษุเรียกว่าภิกขุสิกขา 2. อสิกขาของภิกษุณีเรียกว่าภิกขุณีศึกขา 3. าสิกขาของอุบาสกเรียกว่าอุปาสกะสิกขา 4. ีสิกขาของอุบาสิกาเรียกว่าอุปาสิกาสิกขาเหล่านี้เรียกว่าสิกขา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 ความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็มีความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็มีในสองอย่างนั้นความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นไนภิกจูบางรูปในธรรมในนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสํารวมจกักขุนศีนั้นซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ บาปอุศสลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ย่อไม่รักษาจากขุนสีไม่ถึงความสำรวมในจักขุนสีฟังเสียงด้วยหูสูดกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธิะพด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินสีนั้น ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอากุโธลธรรมคืออภิชชาและโทมนัดครอบงำได้ย่อมไม่รักษามนินรีไม่ถึงความสำรวมในมนิรีความไม่คุ้มครองกิริยาที่ไม่คุ้มครองความไม่รักษาความไม่สำรวมอินทรีหเหล่านี้นี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายความเป็นผู้คุ้มครองใน อินทรีย์ทั้งหลายเป็นไฉพิกจุบังรูปในธรรมในนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนศีนั้นซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบนำได้ย่อมรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมในจากขุนศีฟังเสียงทางหูสูดกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้น ต้องโพธิภพทางกายรู้ธรรมรมณ์ทางใจแล้วไม่รวดถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมมณี น, นีนั้นซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ บ, บาปอคุตละธรธรมคืออภิชฌาและโทมนัตครอบงําได้ย่อมรักษามณินทรียถึงความสํารวมในมณินทรีความคุ้มครองกิริยาที่คุ้มครองความรักษาความสํารวมอินทรีหกเหล่านี้ นี in ้เรียกว่าความเป็นผู so ้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบด้วยความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย518คําว่ารู้จักประมาณในการบริโภคอธิบายว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคก็มีความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคก็มี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 ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นไฉนภิกษุบางรูปในธรรมในนี้พิจารณาโดยแยบคายว่าเราบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อความมัวเมาเพื่อประเทืองผิวและเพื่อความอ้วนพีแต่เพื่อกายนี้ดำรงอยู่เพื่อให้ชีวิตตินทรีย์เป็นไปเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยอุบายนี้เราจะ ก, กำจัดเวทนาเก่าเสียได้และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น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 เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค 519. ภิกษสุเป็นผู้มันประกอบความเพียรเป็นเครื่องตือนอยู่ตลอดปฐมยามและปัจฉิมยามเป็นฉลยภิกษุในธรรมในนี้จำรัดจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวัน ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่กั้นจิตไม่หให้บรรลุความดีด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีสำเร็จศีลสัยาดโดยการนอนตะแคงข้างขวาเท้าซ้อนเท้ามีสติสมัมปชัญญะตั้งใจว่าจะรุกขึ้นตลอดมัดชฌิมยามแห่งราตรีชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีด้วยการเดินจงกรม ดยการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มันประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ตลอดปัตุมยามและปัจฉิมยามด้วยประการฉนี้520ร้อคำว่าความเพียรที่เป็นไปติดต่ออธิบายว่าการปรารบความเพียรทางใจเป็นต้นละสัมมาวายามะ521ร้อคำว่าปัญญาเป็นอุบายในกิจทั้งปวงอธิบายว่า ปัญญากิริยาที่อยู่รู้ชัดว่าไม่หลงงม ง, ง, งายความเลือกเฟ้นธรรมสมาทิฏฐิก522ในคำว่าเป็นผู้มั่นประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปักขียธรรมนั้นโพธิปักขียธรรมเป็นฉนหนโพชฌงเจ็ดคือ 1. สติสัมโพชฌงสองธรรมวิจยสัมโพชฌงสวิริยะสัมโพชฌงสี 4. ปีติสัมโพชฌง หปัจสัตติสัมโพชฌงค์หกสมาธิสัมโพชฌงค์เจ็อุเปกขาสัมโพชฌงค์เหล่านี้เรียกว่าโพธิปักขีย์ธรรมภิกษุเสพเจริญทําให้มากซึ่งโพธิปักขีย์ธรรมเหล่านั้นด้วยประการชนนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้มันประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปักขีย์ธรรม523ภิกษุทําความรู้สึกตัว ในการก้าวไปการถอยกลับทำความรู้สึกตัวในการแลดูการเหลียวดูทำความรู้สึกตัวในการคู้เข้าการเหยียดออกทำความรู้สึกตัวในการครองผ้าสังฆาติบาทจีวรทำความรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มทำความรู้สึกตัวในการถ่ายจาระปัสสาวะ ความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งเป็นอย่างไรพิกุในธรรมในนี้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก้าวไปถอยกลับหนึ่งเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะแลดูเหลียวดูหนึ่งเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะคูเข้าเหยียดออกหนึ่งเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการครองผ้าสังขาติบาท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 ความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความระลึกความทรงจาความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินสีสติพะละสัมมาสตินี้เรียกว่าสติ 525. ในคำว่ามีสัมปัญญะนั้นสัมปัญญะเป็นไนะปัญญากิริยาที่รู้ชัด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 ประกอบแล้วด้วยสตินี้และสัมปชัญญะนี้ด้วยประการชนี้ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเข้าไปถอยกลับ1เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะแลดูเหลียวดูหนึ่งเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะคูเข้าเหยียดออกหนึ่งเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการครองสังขาติบาทและจีวรหนึ่งเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการฉัน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 เสนาสนานั้นชื่อว่าสงัดแม้หากเสนาสนจะอยู่ในที่ห่างไกลแต่เสนาสนั้นไม่พลุกพล่านด้วยเราคฤหัตและบรรพชิตเพราะฉะนั้นเสนาสนั้นก็ชื่อว่าสังัด5้าร้อคำว่าเสนาสน์อธิบายว่าเสนาสน์คือเตียงตังฟู่หมอนวิหารเพิงปราสาทป้อมรงกลม เร้นลับถ้ำโพนไม้พุ่มไผ่หรือสถานที่ที่ภิกษุยับยั้งอยู่ที่ทั้งหมดนี้ชื่อว่าเสนาสนะห้าร้อว่าอาศัยเสยนาสนะที่สงัดอยู่อธิบายว่าอาศัยอาศัยอยู่ไดีพักอยู่เข้าไปพักอยู่พักอาศัยเสยนาสนะที่สงัดนี้อยู่ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอาศัยเสนาสนะที่สงัดอยู่529คําคำว่าป่าอธิบายว่าสถานที่ออกไปนอกเขตเมืองทั้งหมดนี้ชื่อว่าป่า530คําคำว่าโคนไม้อธิบายว่ารุกขมูลคือโคนไม้บันพศคือภูเขากันทระคือซอกเขาคิริคูหา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 แต่เสนาสนนั้นไม่พลุกพล่านด้วยเหล่าเครือขัดและบรรผชิตเพราะฉะนั้นเสนาสนนั้นจึงชื่อว่ามีเสียงน้อยแม้หากเสนาสนะจะอยู่ในที่ห่างไกลแต่เสนาสนะนั้นไม่พลุกพลาดด้วยเหล่าเคฤหัดและบรนผชิตเพราะฉะนั้นเสนาสนนั้นก็ชื่อว่ามีเสียงน้อย533คําว่ามีเสียงอึกทึกน้อยอธิบายว่าเสนาสนะใดมีเสียงน้อย เสนาสนั้นชื่อว่ามีเสียงอึกทึกน้อยเศนาสนะใดมีเสียงอึกทึกน้อยเศนาสนนั้นชื่อว่าไม่มีคนสัญจรไปมาเศนาสนใดไม่มีผู้คนสัญจรไปมาเศนาสนนั้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่มนุษย์แอบทำการได้เศนาสนะใดเป็นสถานที่ที่มนุษย์แอบทำการได้เศนาสนนั้นก็ชื่อว่าสมควรเป็นที่หลีกเบรนอยู่ -534 าคำว่าเป็นผู้อยู่ป่าอยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างอธิบายว่าเป็นผู้อยู่ป่าอยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่าง -535 สาคำว่านั่งคูบัลังอธิบายว่าเป็นผู้นั่งขัดสมาธิ -536 าคำว่าตั้งกายตรงอธิบายว่ากายที่ดำรงไว้ตั้งไว้ย่อมเป็นกายตรง -537 ในคำว่าดำรงสติมั่นมุง่งเฉพาะกรรมฐานนั้นสติเป็นไฉไ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 ความกำหนัดนักแห่งจิตนี้เรียกว่าอภิชาโลกเป็นไฉนุปาทานขันห้าชื่อว่าโลกนี้เรียกว่าโลกอภิชานี้เป็นอันสงบ ป, ประงับสงบเงียบดับไปดับสิ้นไปถูกทําให้พินาศไปให้พินาศย่อยยับไปให้เหือดแห้งไปให้เหือดแห้งไปด้วยดีให้สิ้นแล้วในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ละอภิชาในโลกได้ห้ายในคำว่ามีจิตปราศจากอภิชานั้นจิตเป็นชนัจิตมโนโมานัตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติปราศจากอภิชาเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีจิตปราศจากอภิชาหาร้อว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่ ดำเนินอยู่รักษาอยู่เป็นไปอยู่ให้เป็นไปอยู่เที่ยวไปอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่541ในคําว่าจำรัสจิตเทเบริสุทธิ์จากอภิ ช, ชานั้นอภิ ช, ชาเป็นฉนความกําหนัดความกําหนัดนักความกําหนัดนักแห่งจิตนี้เรียกว่าอภิชฌาจิตเป็นฉไนจิตมโนโมานัตมโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกัน นี้เรียกว่าจิตพิสุทธิ์ชระจิตนี้ให้บริสุทธิ์ให้ผุดพองให้หมดจดให้หลุดให้พน้นให้หลุดพ้นจากอภิ ช, ชานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิ ช, ชาห้าร้อคำว่าละพยาบาทและความคิดประทุษร้ายได้แล้วอธิบายว่าความพยาบาทก็มีความประทุษร้ายก็ ม, ม, าากมีในสองอย่างนั้นความพยาบาทเป็นฉไหน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 ความคิดปองร้ายกิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความพิโรธความแค้นความดุร้ายความเครียดกราดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตนี้เรียกว่าความพยาบาทความคิดประทุตร้ายเป็นไนความพยาบาทอันใดอันนั้นเป็นความคิดประทุตร้ายความคิดประทุตร้ายอันใดอันนั้นเป็นความพยาบาท ความพยาบาทนี้และความคิดประทุษร้ายนี้เป็นอันสงบประนับสงบเงียบดับไปดับสิ้นไปทูทำให้พินาตไปให้พินาตย่อยยับไปให้เหือดแห้งไปให้เหือดแห้งไปด้วยดีให้สิ้นไปด้วยประการชนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าละความพยาบาทและความคิดประทุษร้ายได้แล้ว543ในคำว่ามีจิตไม่พยาบาทนั้น จิตเป็นไงนจิตมโนโมานัมโนวิญญาณธาติที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นจิตไม่พยาบาทเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีจิตไม่พยาบาท544คําคำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่545คําคำว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความพยาบาทและความคิดประสุทธร้ายอธิบายว่า ความพัาบาดก็มีความคิดประทุแตร้ายก็มีในสองอย่างนั้นความพยาบาดเป็นฉนัยจิตอาฆาตความขัดเคืองความกระทบประทั่งความแค้นความเคืองความขุ่นเคืองความพลุ้งพลาโทสะและความคิดประทุแตร้ายความคิดมุ่งร้ายความขุนจิตธรรมชาติที่ประทุแตร้ายใจความโกรธกิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธมีลักษณะเช่นว่านี้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 ความคิดประทุษร้ายอันใดอันนั้นเป็นความพยาบาทจิตเป็นไนจิตมโนมานต์เป็นต้นละมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้ เ, เรียกว่าจิตภิกษุชำรจิตให้บริสุทธิ์ให้ผุดผ่องให้หมดจดให้หลุดให้พ้นให้หลุดพ้นจากความพยาบาทและความคิดประทุษร้ายนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าชำรจิตให้บริสุทธิ์จากความพยาบาทและความคิดประทุษร้าย ห้าสี่ิบหกคำว่าละถีนมิตะได้แล้วอธิบายว่าถีนมิทะนั้นแยกเป็นถีนะอย่างหนึ่งมิธะอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นถีนะเป็นฉไนะในความหมดหู่ความไม่ควรแก่การงานความท้อแท้ความท้อถอยแห่งใจความย่อหย่อนกิริยาที่ย่อหย่อนภาวะที่ย่อหย่อนความท้อถอยกิริยาที่ท้อถอย ภาวะที่ท้อถอยแห่งใจนี้เรียกว่าถีนะมิทะเป็นไฉไนความไม่สะดวกกายความไม่ควรแก่การงานความง้อยเงาความซบเซาแห่งกายความง่วงนอนความง่วงซึมความหลับความโงกง่วงความอยากหลับกริยาที่อยากหลับภาวะที่อยากหลับนี้เรียกว่ามิทะ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 ชื่อว่าเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะเพราะสละคลายปล่อยวางสละคืนและละสละคืนถีนมิทะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะห้าร้อยสี่สิคำว่าอยู่อธิบายว่าเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่549ในคําว่าไดอะโลกสัญญานั้นสัญญาเป็นไฉไน ความจำได้กิริยาที่จำได้ภาวะที่จำได้นี้เรียกว่าสัญญาสัญญานี้เป็นความสว่างเปิดเผยบริสุทธิ์ห่องใสเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าได้อารโอกสัญญา